มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตวกักโลมกั ส, สปะปัญหาที่สถามว่าที่ตรัสว่าพระองค์สร้างบารมีไม่เบียดเบียนสัตว์เหตุอะไรเมื่อชาติเป็นโลมากั ส, สปะดาบท จึงให้ฆ่าสัตว์เป็นอันมากราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทระมหากษัตร์มีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคะเสนข่าแต่พระนาคเส์ผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยวรปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจยา์มีพระพุทธดีกาวว่าดังนี้ พิกเวดูราณะพิษุสงฆ์ทั้งหลายเมื่อตถาคตยังขนขวายสร้างพระบารมีพระบารมียังอ่อนอยู่นั้นได้เสวยพระชาติเป็นมนุษย์เป็นอวิเหทกะชาตไม่ได้เบียดเบียนฆ่าตีซึ่งสัตว์ทั้งหลายตกว่าพระพุทธดีกาตรัสประพาสเป็นคำขาดชะนี้ก็เมื่อชาติเป็นดาบทมีน้ำปรากฏว่า พระโลมกะสปะดาบทนั้นทําไมจึงฆ่าเสียซึ่งสัตว์เป็นอันมากครั้นเมื่อได้นางจันทวดีนั้นใช้คุณทั้งหลายให้ฆ่าสัตว์เป็นอันมากบูชายันนี่แหละพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้ามิเป็นสองหรือจะเชื่อเอาคําเดิมคําภายหลังก็จะผิดครั้นจะเชื่อคําภายหลังคําเดิมก็จะผิด อายังปัญโโหปริศนานี้อุพัโตโกติโกประกอบความเป็นสองเงื่อนลึกล้ำคำเพียรภาพนักหนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้สิ้นสงสัยละการบัดนี้พระหน้าเกษณผู้ปรีชาเฉลิมปราดจึงสนองพระราชาองค์การว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐ อันพระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าจะเป็นสองหาไม่ได้เลยที่ว่าพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระโลมา ก, กัสปาดาบทได้ฆ่าสัต์บูชายันนั้นบูชาด้วยอำนาจราคะรักใคร่หลงไหลในนางจันทวดีหาได้มีเจตนาอาฆาตคิดแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินปินนราธิปไตย จึงมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าลักษณะที่บุคคลจะพึงฆ่าสัตว์นั้นมี8ปดประการคือฆ่าด้วยสามารถราคะประการหนึ่งฆ่าด้วยสามารถโทสะประการหนึ่งฆ่าด้วยสามารถโมหะประการหนึ่งฆ่าด้วยสามารถมานะประการหนึ่ง ข้าด้วยสามารถแห่งโลภะประการหนึ่งข้าด้วยต้องการเลี้ยงชีวิตประการหนึ่งข้าด้วยเป็นพานไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นซึ่งบาปบุญคุณและโทษประการหนึ่งข้าด้วยสามารถแห่งวินัยประการหนึ่งเป็นลักษณะแปดประการด้วยกันดังนี้พันเตนาคะเสนข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชา พระบรมโพธิสัตว์ได้ฆ่าสัตว์กระทำการบูชายัญเป็นปกติอยู่มิใช่หรือพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษผู้ประเสริฐพระบรมโพธิสัตว์จะได้ฆ่าสัตว์ทำการบูชายัญเป็นปกติอยู่หามไม่ได้ถ้าพระองค์พึงน้อมใจไปเป็นปกติด้วยไม่มีปัญญาไซ พระองค์จะไม่พึงกล่าวคาถานี้ไว้ว่าสมุททะปริยายังมหิงสาคะกุนดรังนะอิเฉสหนินทายะเอวังไสหะวิชานาหิดังนี้กระแสความในคาถานี้ว่าบุคคลไม่พึงปรารถนาแผ่นดินมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาครเป็นกุนทน พร้อมด้วยดินทาดูกระท่านใสหะท่านพึงรู้ตามที่ได้กล่าวมาอย่างนี้มหาราชดุราณะบพิษผู้ประเสริฐพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโลมกัสปะได้มีวาทะว่ากล่าวไว้ดังนี้แต่พอเห็นนางจันทวดีก็มีราคะบังเกิดร้อนรนป่ว น, นปัน มีความเข้าใจหมายรู้ผิดจิตฟุ้งซ่านรีบร้อนจัดการฆ่าสัตว์บูชายันเปรียบปานดังคนบ้ายะถามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าคนเป็นบ้าถึงมาดว่ากองอักคีจะลุกเป็นฐานโพลงอยู่ก็ดีก็อาจสามารถที่จะลุยย่ำเหยียบเข้าไปได้โดยไม่มีจิตจะคิดกลัวกุปปิตังอาสิวิสัง ถึงแม้หากว่าชาติอสรพิษจะกำเริบร้ายก็ไม่รู้กลัวจะรู้ว่าตัวจะตายวายชีวิตก็หาไม่ได้อาจจับตัวอสรพิษนั้นได้ไม่สะทกสถานหัดทิ้งปิมัตตะกังคคชสารที่เมามันบุคคลเป็นบ้าเสียอารมณ์นั้นก็อาจเข้าไปจับขับขี่ได้สมุทังอติระทัศิง ถึงมาหาสมุทรใหญ่แลไม่เห็นฟัง่งคนคลั่งเป็นบ้าก็อาจสามารถที่ว่าจะวิ่งลงไปจันฑนิกังปิถึงว่าสัตว์ที่ร้ายเป็นต้นว่ากระบือเถื่อนเสือช้างแรดร้ายราวีเป็นต้นบุคคลเป็นบ้านั้นอาจสามารถที่จะเข้าไปจับได้ถึงตัวจะรู้จักกลัวหาไม่ได้เป็นอันขาดอาจบุกรุกไม่รอรัง้ง กันดังกังอภิรูหะติถึงมากว่าต้นไม้อันประกอบด้วยหนามก็บุกเข้าไปได้ไม่นึกครามว่าหนามจะยอ่อปพัตาปิปตันติภูเขาอันสูงเทียมเมฆาคนบ้าก็อาจสามารถจะโจรลงจากภูเขาได้อสุจิงพักเขติไม่เกลียดอสุจิอาจสามารถจะเอามาบริโภคได้นักโค ไม่มีอายกายเปลือยรัตยาจรติเดินเที่ยวอยู่ตามถนนในพระนครขอถวายพระพรอุ ม, มัตกโกธรรมดาว่าบ้าแล้วย่อมกระทำเสียกิริยามากกว่าร้อยความนี้แหละเปรียบชั้นใดก็ดีพระโลมกัสปะฤสีนี้เมื่อเห็นรูปโฉมนางจันทวดีคราวนั้น ก็ปูนปั่นเป็นบ้าไปจึงฆ่าสัตว์บูชายันเพราะเป็นบ้ามีครุวนาเหมือนว่ามานั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุมมัตตโกธรรมดาว่าคนบ้าพิกลจริตจะกระทำความผิดเป็นโทษหลวงควรที่ผู้พิพากษา ท, ทั้งปวงจะปรึกษาให้มีอาญาโดยมากน้อยประการใด สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเส์ผู้ประกอบด้วยปรีชายานคนบ้าพิกลจริตกระทําผิดเป็นโทษหลวงโทษจะถึงฆ่าเสียก็มิให้ฆ่าให้ตีบ้านั้นให้เข็ดแล้วให้ปล่อยไปพระนาคเส์ผู้เฉลิมปราจึงถวายพระพรว่าคนบ้า ไมิได้ปรึกษาลงอาญาโทษหลวงให้มากยะถาฉันใดพระบรมโพธิสัตว์เสียจริตฆ่าชีวิตสัตว์ครั้งนั้นจะมีโทษมากหาไม่ได้สเตกิจโฉพอเยียวยาได้ครั้นพระโพธิสัตว์เจ้าหายบ้ามีใจเป็นปกติได้สติคืนมาปุณะเทวะปัพพิตวากลับบวชใหม่ จำเริญฌานสมาบัติไปก็ได้ซึ่งอภิญญาห้าประการพรห ม, มโลกูปโคครั้นสิ้นสังขารถึงกาละกิริยาแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกนี่แหละบพิษพระราชสมภารพึงทราบพระยานเถิดว่าชาติที่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าเกิดในโลกนั้นเป็นอวิเหทกะชาติ มิได้กระทาปานาติบาตเบียดเบียนสัตว์ทุกๆชาติตราบเท่าได้ตรัสสำเร็จแก่พระประมาตธรรมิ่งมงกุฎเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงพระเสบนาการพระหน้าเกษรแก้ปัญหาก็ซ่ อ, องสาธุการทรงรับตามที่พระหน้าเกษรถวายวิสัชนานั้นทุกประการ โลมากัสปะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้